50 languages. 79. v e n t y n ุ n e Unasi. Kam kunasap two. v i แม่ล้าลกับปะด้พเนนเฮา่ดฉันสวมชุดสีเขียวแม่ฮเรกับปด้พเนนเฮา่ द द द द ดิฉันซึกระเป๋าถือสีดำแม่กาล่แบกซื้อด้ฮแม่กาล่แบกซื้อไดดีหดิฉันซืกระเป๋าถือสีน้ตาลมูรแบด แมู่ดะบกขดีฮดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวม่ดแบกขายม่แบกขาดีฮดิฉันต้องการรถคันใหม่เมนูเอกนวดีใจดีเหรอดิฉันต้องการรถความเร็วสูง เมนูเอกจ้าด้าเทวส์เกตดีใจดดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายเมนูเอกอารามได้กัดดีใจดผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน utha อุปเปอร์เอกบุดีอวผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน utha อุปอร์ตรเรินดี ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่างอุเหอีกจิกยาสแขกของเราเป็นกันเองซาลซแขกของเราเป็นคนสุภาพซมเหลแขกของเราเป็นคนน่าสนใจ ซาดเดม ह หารดิลชัสนโลกซนดฉันมีลูกที่น่ารัก म ม र รบัจ च, च े प ् य ร र ेหนแต่เพื่อนบ้านมีลูกซน प र กวาดเดียดบัจตีทหนลูกลูกของคุณเป็นเด็กดีไหมคะคิดถูกเेบัจเฉ่อาจญาาริหน